พึงประกาศให้สงราบด้วยยติทุติยกรรมวาจาว่าท่านผู้เจริญขอสงจงฟังข้าพเจ้าถ้าสงพร้อมกันแล้วสงพึงให้นวกรรมวิหารของข้าหาบดีแก่ภิกษุชื่อนี้นี่เป็นยติท่านผู้เจริญขอสงจงฟังข้าพเจ้า สงให้นวกรรมวิหารของขหาบดีชื่อนี้แก่ภิกษุชื่อนี้ท่านผู้เจริญขอสง์จงฟังข้าพเจ้าถ้าสง์พร้อมแล้วสงพึงให้นวกรรมวิหารของขหาบดีแก่ภิกษุชื่อนี้นี่เป็นยติท่านผู้เจริญ ขอสงจงฟังข้าพเจ้าสงให้นวกรรมวิหารของข้าบดีชื่อนี้แก่ภิกษุชื่อนี้ท่านรูปใดเห็นด้วยกับการให้นวกรรมวิหารของข้าบดีชื่อนี้แก่ภิกษุชื่อนี้ท่านรูปนั้นพึงนิ่งท่านรูปใดไม่เห็นด้วยท่านรูปนั้นพึงทักท้วง